ข่าวการตอเพื่อนสุธรรมิกเราก็มาประลบธรรมส่กันฟังตามการตามเวลาเพื่อเป็นการศึกษาให้เป็นการประกอบกับการศึกษาปฏิบัติมนผู้ฟังมนผู้พูดพูดแล้วก็ไปทําดูให้พูดแล้วให้จํานะการปฏิบัติเนี่ยให้มันถูกสอนวิชาการ ปฏิบัติการในผลแล้วเอาไปทำดูการเจริญสติสติก็คือตัวตาดูแลตัวเองอยู่ก่อนที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องมีตาตาก็คือตาในคือสติสัมปชัญญะนี่แหละถ้ารู้ถ้ารู้ึกว่าอะไรก็แสดงว่าเรามีตาแล้วเราเรื่อนตาแล้วไปไม่น่ารอบ ปุชงกายยังปริมุก ข, ขังนะเป็นหน้ารอบเห็นทั้งตาเห็นทั้งหูเห็นทั้งจมูกรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆตาเลาะหน้ารอบนะให้รู้ให้ดูให้เห็นทบหน้าที่ให้ถูกไม่ใช่ให้ไปเป็นไม่ใช่ไปอยู่มันสุขก็อย่าไปอยู่มันทุกข์ก็อย่าไปอยู่ มันโล่ก็จะไปอยู่กับความโล่มันไม่โล่ก็จะไปอยู่กับความไม่โล่ให้ดูเาว่าที่ดูเนี่ยดูตะพื้นตะพื้นอะไรที่มันจะมาโดยที่ไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นอะไรเองเช่นเวทนาไอ้จิตหรือธรรมอะไรก็ได้แม่ปฏิเสธจะยังไรก็ได้จะโชคจะทุกข์ก็ได้เราจะดูมันอยู่นี่ละเราจะเห็นมันอยู่นี่ละ ใครเห็นแล้วก็ใช้ได้ถ้าเป็นเลากใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแล้วก็สุดตรงตันไปซะก็เห็นแล้วเป็นมัชชิมาเป็นทางผ่านได้เฉลยได้ทำหน้าที่อย่างนี้การเจริญเสื่องไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไม่ต้องเน่น่นั่นแต่เราโลไม่มีอะไรโลกับลูกไ ก, ก่ที่เราเล่อนไว้ยังนี่คร ในโลกเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้ให้ที่ตั้งในฐานเรากลายเป็นฐานเราสติเป็นไปตั้งเลยตรงกายนั่นแล้วมันก็จะเห็นเลยทัณหาเห็นกิจเห็นธรรมถ้าไม่หลงสี่ด่านนี่ใช้ได้แต่ว่ามันจะหลงด่านแรกก็คือกาย มาดูกายเปนานามันก็เห็นแจ้งในกายเห็นเวทนานานก็เห็นตัวแจ้งในเวทนาเห็นจิตที่มันคิดก็รู้แจ้งในจิตที่มันคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับจิตการู้แจ้งการรู้แ จ, จ้งก็คือการผ่านได้การเฉลยได้ว่าสี่ดานนี่กักขังไม่อยู่ก็แสดงว่าไปได้แล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทาง อะไระไรก็ดูอย่างดูนี่แหละดูสี่หลักนี่แหละจะเป็นความสุขความทุกข์ก็เป็นความรู้อะไรต่างๆความสงบความไม่สงบดูมันดูมันดูมันตัวรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่เปิดเปื้อนกับสิ่งใดเลยเราจะรู้จะสึกว่ามันใช่ได้จริงๆเพราวะว่าที่ดูเนี่ยเพราวะว่าที่ปลอดภัย เรียว่าพรมจันก็ได้แต่ว่าแต่พื่อพรมจันก็ได้สภาวะที่ดูภาวาที่เห็นเนี่ยแล้วก็มั่นใจมั่นใจว่าเรื่องมีศีลไม่ผิดศีลสภาวะที่ดูเนี่ยสะดวกสะดวกที่สุดการปฏิบัติทำตามหลักของสภาวะการปฏิบัติเนี่ยเราถึงสภาวะที่ดูเนี่ยโอ้ ใช้ได้เลยสะดวกไม่ต้องไปตกกบหนอนตกกบนี่ยองวอนันสํารวมอะไรอ่ตาเธอจะเห็นอะไรมาก็ไม่เป็นไรเราจะดูกันอย่างนี้ามันจะต้องเห็นแต่ไม่ได้ไปหาดูไม่เหลืขอขวขวยที่จะดูเรามีหลักของเราแล้วโอก็เหมือนกันอ่อะไรจะทําให้ได้ยินแล้วก็รู้แล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินไรเพราะว่าที่เห็นมราก็ มันก็จบได้ละทุกอย่างภาพวันที่ดูเลยมันครอบจั ก, กรวาลมันสลปมันย่อลงเพียงกมือเดียวปฏิบัติมันก็มาอยู่ตรงนี้มาเรียนรู้ตรงนี้มาเห็นอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเป็นตรงที่จะต้องอโซ่ไขกุญแจแจโซ่เป็นที่จะก้าวออกไป ไกลจากความไม่รู้ไกลจากความหลงภาวะที่ดูดมันเห็นอะไรก็ดูดไปแล้วไปแล้วไปแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วกันจึงรียกว่ามักคือทางผ่านผ่านจากภาวะที่เป็นนะแล้วเราก็ในชำนาญเราก็เห็นเรื่องนี้เราจะปฏิเสธนีแล้วที่มันเกิดแล้วเห็นจะเป็นเวทนาก็ดี จะเป็นความชิดก็ดีจะเป็นทรรอะไรก็าตามเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นความง่วงเหงาหอนเป็นความชิดลังเลสงสัยไม่เป็นไรให้มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเราก็ชงโนกไปดูเฉยๆเออลู่แล้วกกว่ า, ง, กกว า, ออวางนี้แล้วก็เรานอนกลางกลางคืนเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊อยู่ท้ามกลางเราชะโนกไปดูโอ้ลู่แล้ว บางทีก็เป็นเสียงหนูบางทีก็เป็นเสียงตุกแกบางทีก็เป็นเสียงสัตว์ปลาบางทีก็เป็นเสียงแม่นเด็กติคนแอ ด, ดเนี่ยสมัยก่อน้ผมก็อยู่ตรงนั้นสมัยโน้นสมัยยังมีช่างป่าช่างก็อยู่แถวเนี่ยแถวใกล้ๆกับเขตทุ่งหญิงแถวอ๋อเนี่ยล่ะสวนมะม่วงลำไยเนี่ย <c oughs> ยังเม่นมาล่องอยู่ใต้ถุนกันตดดตดดตดดตดวก็รดขึ้นมาจากเขาเอมันมาได้ยังไงมันไม่เมตตานอนางฟังดูมันใกล้ๆฟังดูมันไกลๆแล้วก็ชะงกไปดูไปดูเราก็เห็นเม่นมาหาจินใต้ถุนก็นเเวลามันสั่นขนวลามันเห็นศัตรูเห็นงูเห็นหนูของตีมันเห็นเจีงก็ยัง ใช่เสียงดังใส่เติรตตตแสงว่ า, ามีอำนาจระวังนะเธอมานี่ระวังขนเรานะปกอะไรก็เจ็บปวดวิ่งหนีเท่า น, นั้นแหละเห็พระาิดูเห็นเออนี่เ น, นอนแ้หลายเสียงทีใดเทใดก็รู้แล้วทั ก, กี่วันกี่ครั้งกี่คืนก็รู้แล้วนี่คือเสียงเม่ น, นเสียงสัตว์เสียงเหห์เสียงนกบางประเทศลอง เรางไม่ีหมือนคนเหมือนมีคนมาหาบ่มบมบมบ่มบ่มบมบ่มบมบ่มบ่มบ่มบ่มบนมบ่ม่มบ่มบ่มบ่มบมบ่มบ่มบ่มบ่มบมบ่ม่มมบ่มบ่มมบ่มมบ่มบงมบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบมบ่มบ่มบ่มบ่่ม่มบม บางอย่างมก็แจ้งแล้วแจ้งแล้วนกบางประเภทนะแเรียกว่านกกะ บ, บานกกะ บ, บาดงจะลองแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วอันนี้สองสามทุ่มมันก็บอกว่าแจ้งแล้วแจ้งแล้วแท้ๆมันนกมันก็รู้แล้วจะเพิ่ไปดูเพราะมันได้ยินไม่ได้โอ้กลัวนะะรู้อะไรนะกลัวนะเอออันนี้เสียงอะไรโอ้ ปงปร่งแต่งแ่ไปไม่ใ si ช si ่พอดูรูแล้วก็จบแล้วจบแล้วเสร็จเลยได้แล้วไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปมันก็อันเดียวนั่นแหละเสียงเม่นก็คือเสียงเม่นอันเดียวนั่นแหะเสียงนก็อันเดียวเียงเห็นเสียงเกงอันเดียวในตัวเรานี่กมันมีอันเดียวจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นนั่นก็คือเวทนา คค ม, คคมันชื่อว่าความคิดมันคือความคิดมันเชื่อว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลไกุศลก็ธรรมนั่นแหละเหมือนันเก่าอันเกิดเมื่อไรก็ที่เก่าเหมือนเก่าไม่ได้ไปตั้งตรงไห น, นมันตั้งอยู่ที่เก่าที่เดิมเหมือนเดิมม่ต้องไปเอะใจอะไรความ ง, ง่วงก้อนเก่านั่นแหละความคิดก้อนเก่านั่นแหละไม่ต้องไปเกาหัวไม่ต้องไปยุ่งไปยากกับมัน นี่คือความง่วงนี่คือความชิดลังเลสงสัยนี่คือทำมาลงที่มันเกิดขึ้นก็คื อ, อนเก่าน่นะแต่ไปยุ่งกับมันจน่าเกาหัวตัวเองจนเครียดจนอ่าถือว่าเป็นเรื่องยากถือว่าเป็นเรื่องง่ายเอาเป็นยากก็ เ, เป็นง่ายใไมั่นไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายความง่วงของนอ น, นก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นของมันอย่างนั้น อันเก่าสิสิ ป, ปียี่สิ ป, ปีก็ตามก็คืออันเก่าแต่ชี่น่ามันได้ชี่พระพุทธเจ้าก็บอกก็คือในบรรนธรรมมองมันเหมือนกับว่ามันเป็นอันหนึ่งต่างหากที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็โลมันโลเห็นูลแก้งด้วยซ้าไปที่มันเกิดปัญญาด้วย กานเห็นในวันละาทำเนี่ยโอ้เป็นปัญญาเห็นทุกเห็นสุขก็เป็นปัญญาตลอดถึงดูไปดูมาอ่อมันก็ชัดเจนขึ้นเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมานั่งอยู่นี่มันคือรูปคิดไปน่นคือ น, นามมันรูยจกเคลื่อนไหวจะเปรียบเทียบมันก็ต้นไม้เหมือนกับก้อนหินก้อนดนินก็สุขไม่เป็ น, นก็ทุกข์ไม่เป็น มันเชิดอะไรไม่เป็นมันโกรธมันโลบมันหลงมันไม่มีกิเลสตัณหามันไม่มีนามแต่เมื่อถงแต่รูปมันก็มันก็ไม่มีอะไรมันคนเน่าไปแล้วไม่ได้ตั้งอย่างนี้โอ้ีนมันมีนามเราใช้อยู่ด้วยกันมันเลยจะเก็บมันลยจะโกรธโอ้ขอบคุณมันเดินมากกนน้อยเออขอบคุณมันยองกัดมันเจ็บเออเนี่ยขอบคุณมันไม่โลภมีนามมันเป็นสัญญาณไทยของเขาความร้อนความหนาวความหิว ผมปดวดผมมยุยโอ้หน้าขอบคุมันเป็นทางฉลาดด้วยพลิกลอกนิดเดียวเป็นปัญญาถ้าไม่รู้จักพลิกลอกก็โง่ก็สศกกรธทุกไปซะมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่เรื่องไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเราไม่ร่วมก็ใหญ่โตมันบีบมันบังคับเราทำให้เราหลงทํำให้เราอเกี่ยวข้องข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นก็เห็นโลกเห็นนามเราก็เฉลยได้ทั้งหมดล้ะ มองอะไรก็เป็นลูกเป็นน้ำแต่มองทั้งกลิ่นมก็เป็นน้ำกลิ่นมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นคู่กับอารมณ์ที่มันอ่าเข้ากันได้ดีเหมือ น, น, น, น, น, น, นกับน้ํากับน้ํำนมน้ำเขานมมาใส่ก็เป็นน้ําเป็นนมน้ำกับน้ํากับน้ํามันกับน้ํำเข้ากันไม่ได้โอ้มันก็ขยาย เอาไปมาเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปจิตใจที่คิดเป็นอารมณ์ก็เป็นรูปรูปมันสัมผัสมันกระทบทำไมเกิดุกเกิดทุกข์ได้เราเรียกว่านามมันรูปนามมันรูปทำไมคนช็อกล่มไปก็ได้เจ็บปวดจนตายก็ได้รูปที่มันกระทบถ้าเราไม่รู้จักมันก็มีพิษ เราดูจากรัาลก็มันไม่มีประโยชน์มันมีสาระอะไรก็คือรูปเน่ยนามมันรูปมันเกิดบันดับมันเกิดบันดับอาการเกิดดับของนามมันรูปโอ้วันหนึ่งไม่รวยจีภพจีชาติเกิดทุกข์ขาวเป็นทุกข์ล่ําไปนามมันรูปล้วก็ชี้หน้าเลยอันตัวนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไป ในความเจ็บความตายมันไม่เที่ยงอืแล้วก็เฉลยได้ทุกทีเอาไปวางลงตรงนั้นอาการเกิดดับของนามรูปเอาไปวางลงในใจลักเอาไปเทลงตรงนั้นใจลักเป็นถังขยะอันใหญ่อมีที่วางแต่มีที่วางแล้วมันก็ไม่มีขยะในหัวใจเราว่วางแล้วมันที่ไห น, นก็ตามเป็นความว่าง จากความหมายอย่างความเป็นตัวตนแต่วางแต่เห็นที่ใดไปวางตรงนั้นที่มันก็เบาวิวทั้งหมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วก็เลยไม่กลัวเอามาแปลสภาพให้เป็นปัญญาทั้งหมดไม่ลก ป, ปรธรรมในานามธรรมโยบคลุกตามมันทุกเป็นปัญญาทั้งนั้น โลกโลกนามโล ก, โลกเป็นปัญญาทางนั่นโลกสมมุตินามสมมุติมมตเป็นปัญญาทางนั่นอมบรรยัดิวัตถุอาการต่างๆที่มันอ่าสลับซับซ้อนที่ทําให้เกิดเลยขึ้นว่ามันมีเหตุไม่ปัจจัยอแล้วรู้จักอ้นบึ้งของสิ่งเหล่านี้อืไก่เห็นเต็นงูเห็นนมไก่เห็นตีนไก่ จะดำดินจะบินมาจะอะไรมาก็ตามก็คืออยู่ในวงของวัตถุหรือปรมัติติหรือปรมัตย์สัจปรมัติตย ส, ส, สภาวธรรมทั้งนั้นสมมติเจียงแบบสมมติปรมัทิติก็เจียงแบบปรมัติติก็โู้จากใช่โู้จากโคตรโ้จากเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องตามสมมติบัญญัติจริงแบบสมมติบัญญัติไม่จริงแบบกลธรรมศัจจ์ก็ใช่ให้สาเร็จประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่ น, นเอาไปลองตรงนั่นเลยไปลองตรงใจลับเจิอย่นี่เดียวก็พอตัวนะปะ่านะ ถ้าเห็นใจใจลักอย่างแกมแจ้งเ อ, เอียงไปไหลไปเทไปสูงมากสู่ผนเม่มีตัวตนเลยถ้าเห็นแจ้งนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรจนยุ่งจนยืงหรอกถ้าเป็นปรมาจารย์ป h a ธรรมทลุทะ ล, ทะลวงไม่มีอะไรที่เป็นรุ่นเป็นก้อนทำให้สับสนอะไรหรอกมันเป็นช่องเป็นทางมันเห็นกดแสเห็นฝั่ง ทำไมต้องมุดลงไปเป็นสุกเป็นทุกข์ทำไมเป็โกรธเปโลภไป็นหลงแวลาชทาไมมันเป็นสมบัติของโลกเปื้อนจะเห็นแล้วก็โอ้ยบริสุทธิ์เลยเลยพูดแบบภาษาหลวงตาองหนึ่งเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นพอแล้ว เท่าเนี้ยก็พอแล้วการปฏิบัติเผ่านได้ตลอดสะดวกด้วยการเห็นกันม่ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเห็นเราทำยังไงรู้เราเป็นยังไงนี่ตอนนี้มันก็มันก็จะหลุดการเงื่อนปมของความหลุดพ้นก็มีเท่านี้แหละไม่ต้องมากดอก วิธีปฏิบัติที่เป็นตำราเล่มนี้อังกายอันใจเนี่ยมันไม่มากแต่ถ้าเป็นระเบียบวินัยต่างๆภิกษุก็ยากพอยากอยู่ต้องปฏิบัติต้องตะลัิกตะลัิกหรือปฏิบัติแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเอาปฏิบัติแบบไหนแบบชาวบ้านธรรมดาก็คือ เปลี่ยนร้ายกายเป็นดีเปลี่ยนผิดกายเป็นถูกเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เอาตรงนี้ซะก่อนถ้าตรงนี้ได้ในปฏิบัติแบบชาวบ้านออืจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงตรงนี้ให้รู้จักเปลี่ย น, เ ป, นเปลี่ยนให้เป็ น, น อาจจะไม่ได้มาเดินจงกรมเหมือนกับเราอาจจะไม่มานั่งสร้างจังหวะเหมือนกับเราแต่ถ้าเรานั่งสร้างจังหวะเราเดินจงกรมถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็ไม่ถูกหอเล่าอะไรมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกตัวเปลี่ย น, นคือตัวรูนะ้หรือเ่าตัวทุกมันคืออะไรทุกกําหนดรู้โดยการรู้ทุกกําหน ด, ดนรูด้โดยการบรรเทาทุกกําหนดรู้โดยการละนวลก็ เ, เองไว้เท่านั้นเะ ก็จเปลี่ยนนะสรุปแล้วคือภาวะที่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยการกําหนดโล่อย่าไปโอ๊ยตายตายมาใหญ่โล่กําหนดโล่โดยการโล่กาหนดโล่โดยการาวันเทากาหนดโล่โดยการละนั่นแหละคือเปลี่ยนนะครเปลี่ยนตามขั้นตอนของสภาวะทุกเกิดมันหิวกาหนดโลด้วยการโล่ไม่ได้หิวข้าว ก, ก็กินข้า ว, าวหิวน้ําก็ดื่มน้ํามันโปวดมันเมื่อยก็บันเทาไปแต่ทุก เปต้องหายใจที่ต้องมือนี่ยกำหนดด้วยการลูดทำมันไม่มีโอกาสกำหนดลูด้วยการลูดบางทีกำหนดลูด้วยการหนีออกเข่นหนาวมากๆไม่มีผ้าห่มทำไงถ้ากำหนดรูด้วยการมันเ่าก็หาผ้ามาหม่มถ้าไม่มีผ้าหม่มทําไงก็มีเส้นละใบไปไ กำหนดรู้เยหนีออกไปแล้วมาอยู่โอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวตายตายตาไม่ต้องไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าฉานซะหายตบะซะหรือสีซะลอยซะทาให้มันเยื่ยาลงไปใจเข้มแข็งความหนาวรอยเ็ ศูนย์จุดสี่องศาแต่เรากําหดดนดรู้เลยความรู้สึกที่ไม่เป็นเวทนามันก็เหลือยประมาณห้าสิบองศาชั่วลองดูกับกับเข้าสู่ภาะวะไม่มีไม่เป็นอะไรโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวเย็นหนาวโอ้ไม่เป็นอะไรภาะวะหนาวเป็นอะไรภาะวะกินีมันต้องเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้หนาว เห็นมันนะเพราว่าที่เห็นเนะี่ยจะเรียกว่าชานก็ได้นะเห็นแบบรู้สึกตัวเลยชานจะมาบาาัดคนละกับที่เห็นนะจุงสุดมีสติและอะไรอยู่ยต้นต้นก็สติท่ามกลางก็สติที่สุดก็คือสติใช่ได้จริงๆความรู้สึกตัวนะถ้าขาดสติก็เฉโก้เวลามันลองใช้สติดู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 เดินอยู่มันจะจะนั่งอู้ ก, ก่อนถึค่อยนั่งก็รอดมันม า, มาเออรู้แล้วรอดรู้แล้วนาะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทับว่ารู้แล้วนี่ยมันไมใช่ของหน่อยนะเป็นศักนะ <c oughs> เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นวุธิธรรมนะคำว่ารู้แล้วนะ <c oughs> ้วกนะ็คนทันญานะคนทันญาสิ่งที่เรีย <c oughs> ชื่อคนทันญา เพราะว่ารู้ก่อนแล้วกับพระเจ้าเลยให้นามอัญญาสี่อัญญาสี่แล้วอญญาจารย์มนัตย์เขาชื่อมนัตเพราท่านมีคุณธรรมกับดอกเตอร์รองศาสตราจารย์ะนะมันมีคนธธวุฒิเพราะว่ารู้ก่อนรู้แล้วรู้แล้วเป็นวุฒิธรรมมันสูงนะสลุงย่อยไม่มีอันไหนที่จะขวงกันได้เพราะว่าี่ว่ารู้แล้วรู้แล้ว รู้เร็วรู้เร็วคืออะไรสติ น, นะไม่ใช่ที่นอีกแล้วองค์เผ่าเหากของสติสมชัญญะเป็นทั้งปัญญาก็อันนี่แหละเป็นทั้งศีลก็อันนี่แหละเป็นทั้งสมาธิก็อันนี่แหละมั่นคงเป็นทั้งญาณก็อ น, นี่แหละทะลุเพราะว่ารู้วมันทะลุแล้วนะพ้นแล้วป็นมุดด้วยสมาธิรู้เร็วเป็นมุดด้วยเป็นมั่งทั้งมั่งมั ก, ก็คือดูเห็นแล้ว เลื่อนกับพ่นแล้วดีไม่ดีทุกจนไม่เกิดสิ้นเชิงดับทุกข์ได้สิ้นเชิงถูกแล้วพวกเราเดินจงกรมมีความรู้สึกนั่งสร้างจังหวะมีความรู้สึกไม่ผิดเดินจงกรมก็ไม่ต้องไปย่องนะเอาให้เตะเท่าเลยตึกเติบเต๋อมันได้พลังอยาไปย่องเดินให้มันได้สัดได้ส่วน ความท่วงแรงท่วงของพลังงานก็หลอกให้มันได้พอดีพอดีวัยกันไปมันก็เหนื่อยแต่มันยืดต่อดยู่ดหยัดไปมก็เหนื่อยปิดขึ้นมาแต่มันก็ลับเปาแล้วขับรถเหรอโอ้ยจักหยอดลุมโอ้ยจับพุ่งบางโอกาสทมันง่วงสลุมสลุมพุ่งออกไป ดูสิครับมันมีมีเทคนิคอยู่ในตัวเรามันไม่มีสูตรสาเร็จเทคนิคต่างๆเราหามาให้มันเหมาะสมกับสภาวะที่เราอยู่เราเป็นอย่างไร <c oughs> ลักษณะเดินยอ่อมย่อมผมผมว่าดีดีทื อ, องกันไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นสติมมนจาเป็นไม่จาเป็นต้งองย่อม แบบไหนก็รู้ได้ขอใ้มันรู้เถอะไปถ้าไม่รู้เราจะย่องขอนาดไหนมันก็ไม่ได้ถ้ารู้แล้วย่ยองก็ได้ว่ายก็ได้ความรู้สักตัวเราก็ทำได้อ้ามาหายใจดูได้ไหมได้ยกมาดูได้ไหมไนมนเดินดูได้ไหมมาลองบริกรรมดูสิบริกรรมพุทโธพุทโธดีไหมมันจริงไหมมันเป็นตัวสติจริงไหมตัวบริกรรม ก, กับตัวรู้อันเดีวยวกันไหมไม่อันเดีวยวกัน บริกรรมเป็นตัวหนึตัวลู่ตัวนึตัวลู่จําเป็นต้องบริกรรมไหมไม่ต้องเข้มย่งางจย่างหน่กยขอย่างหนอ่อยตัวรู่จริงจริงมันต้องว่าอย่างนั้นนไอยไม่ต้องว่าก็ได้อ่าถ้าจําเป็นต้องว่าก็ได้ถ้ามันยังไม่มีเกอบมันมันไม่แน่นหนะาจับไปก่อนอจับไปกอ่อนหาใจเข้าพูดถ้ายใจออกโทตัวรู่จริงจรงต้องว่าพุทโทหรือไม่ต้องว่าก็ได้ถ้าว่าก็ได้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 แล้วก็รับผิดชอบด้วยคําพูดเนีะ่ะเขีนว่าพุโทโธพุโทโธจําเป็นหรือสติเลยเอ้าไม่จําเป็นแล้วก็จําเป็นบางอย่างถ้าความรู้สึกจริงๆเขาไม่จําเป็นไม่ต้องว่าซ่าย่างหนอคอยย่างหนอไม่ต้องว่าก็ได้ไม่ผิดถ้าจะว่าก็ไม่ผิดแต่โล่ไม่จริงอาใช้ไปก่อนออแล้วเราเดินได้แล้วจะต้องไปจับราว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 ไม่ต้องจับแล้ว ไ, ไปจับไม่เช่เวลาทำไมถ้าเจอว่าพุโทโธเป็นนิมิตเจอว่าข้าย อ, ขอย่างนอยขออย่างน้อยเป็นนิมิตเราจะพันเปียบเหมือนนิมิตไม่ต้องไม่ต้องอัดใสแต่ถ้าคนที่ไม่เคยก็ต้องจับไปก่อนมันจึงจะ ข, ข้ามได้แต่ถ้าค้านได้แล้วคล่องตัวเราไม่ต้องจับก็ได้ไปปเดียวทันทีหรือ เอาจริงแล้วมันไม่มีอะไรเอาจริงๆแล้วมันมีเลยมีแต่ภาวะที่มันคิดการชนะขั้งสุดท้ายคือชนะตัวนี้หเห็นตัวนี้เปลี่ยนสังขารไปวิสังขารรู้ทันทีตัวการมาตัวสังขารที่ใหญ่คือตัวคิดตัวกิจเป็นใหญ่จริงๆตัวนี้รู้ปับ๊บทันทีครับคิดตังไม่เลยอันนี้ก็พอแล้วนะ ก็ไปนอนไปนี่ออเฮ้ยของพอ่ออะไรพ่อพนันนะขอโทษต่อไปขอเพอื่นอนตัวตงนะ้วพ น, นี้เรไปเพง่อนไหมจะเตรียมตัวก่จะไปรับผ้ามาไปก่าจะไปมันก็ประมาณ